ต่อจาก 17 มกราคม 2530ณพุทธสถานสันติ อหุเนยยบุคคลที่พุทธเจ้าทรงตรัสไว้นั้นมี 9 ระดับ 1 โคตรปู 2 ก, 3 ล, 4 ก, 5 ล, 6 ก, 7 ล, 8 ก, 9 มี 9 ระดับอาตมายอมรับหรือว่ายก พยายามปฏิบัติตามธรรมตามวินัยที่พระพุทธเจ้า อีกอันนึงที่เด่นมากของหลวงปู่แหวน ยังไม่พอไม่พอๆยังไม่พอตรงว่ายังไม่เปเป 8 เป็น ทัดติอตมะมีเห เปrcาย รู้นะเพราะฉะนั้นผล เพราะฉะนั้นๆก็ไม่ไม่คลอคลอยก็เท่าที่ฟัง พูดจะมีรายละเอียดภาษาธรรมดาจะมีรายละเอียดภาษาธรรมดานี่ไม่ต้องภาษา เป็นภาษารูปทุ่งเป็นภาษาไม่ค่อยเก่งปริญญาก็ตาม ขอ 100% อะไรอ6 แล้วยังติดบุหรี่ยังก็อาจารย์มั่นต่างกันนะอาจารย์มั่น เพราะอาจารย์มันอาตมารับเป็นอริยะนะมีอริยภูมิแต่ พอมองโกตรภูบุคคลออกสิ่งนี้ก็ว่ากันจริง พรุ่งนี้ฟังรายงานข่าวซึ่งเป็นวันรายงานผล ประเด็นๆที่มันทําให้เกิดการเฮละโล ที่จักจะมีได้ 90 กว่าแล้วเหตุที่ๆขายแหลก หลายร้อยล้านล้าน 500 600 ล้าน เป็นพวกงมงายเป็นพวกไสยศาสตร์เป็นพวกที่ซื้อไป ก็ไปกันเยอะดีๆนะนี่ประเด็นที่ 1 นะใน ทำไมจะต้องให้อัยการไปในงานอย่างนั้นๆนะ เพราะฉะนั้นมันจะมีเหตุการณ์สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น ไปตั้งร้านค้าร้านขายร้าน 3 พวกที่เอ่อ นะจัดรถทัวร์กันทั่วประเทศนะขณะอาตมาไปเนี่ยญาติโยมเค้าบอกยังพูดเปื่อยพวก นี่ด้วยเหตุข้อที่ 3 นี่โดยการชักชวน 4 ไม่ชัก ปริญญาโทนะไปเอาขี้หัวกูแหวนมาบูชานี่ไปต่อว่าอาตมาเลยเป็น โอ้ตลกนี่อาตมาพูดเป็นความจริงนะๆมาอ่าอาตมาไม่รู้หรอกนะจริงๆเป็น สำลีเช็ดน้ำเลือดน้ำหนองหนูปูแวนเก็บไปหมดไปบูชาโอ้อาตมาก็นี่ๆหรอก ส่วนมากหาได้ยากด้วยในภูมิมธรรมที่มีในคนที่เรียนข้อ 6 ด้วยความจําเป็น โยนะอาตมะก็ไม่รู้ละในระดับ 6 ประเด็น 7 ไปด้วยปัญญาด้วยความฉลาดรู้ นะอาตมาเอา 6 นี่มาให้อาตมานี่ชังเพ่งโทษเหลือเกิน ไอ้เรื่องร้ายนี่สีระวังให้ละเอียดทีเดียวระวังให้ละเอียด <c oughs> แต่เขาๆเหล่านั้นอาตมาละเว้นเรื่องร้ายๆเหล่าๆๆเหล่านั้น และเรื่องที่จะวิจัยวิเคราะห์บ้าง ไม่เป็นพระที่จะต้องโอ้เป็นพระเทศน์ดีพูดดีไม่ว่าใครไม่อะไรต่อ เพราะอาตมาไม่ประสงค์เช่นนั้นอาตมารู้ว่าอาตมา หาบริวารไม่ได้ๆเห็นว่านี่เป็นความจําเป็นเป็นความรีบด่วน นะทำหนักอยู่อย่างเงี้ยอ่าทำไปก็ตาม อีติปนโคโลกีคนล้มล้างเรานั้นเขาทําได้อาตมา จริงเราด้านนะเป็นการรายงานไม่เข้าข้าง มันผู้มุ่งรายหรืออาชญากรนี้มีแน่ 15 แสดงว่ามูนิตี้ 15 คงขาย 99 แล้วก็มีหมดเลยจะสงวนลิขสิทธิ์ไว้ แล้วพวกนั้นก็ให้จับแลแลแล 8 ล้าน 40 แสนกองนี้เป็นต้นเงิน สาธารณกุศลรู้สร้างอะไรต่างๆนานานั่นแหละนะก็เอา ที่ไปกันตามที่วิเคราะห์ๆนั้นน่ะจะต้อง อ่าเยอะนะส่วนพวกไปด้วยความจําเป็นนั้นก็ นับถือบูชามากมายนั้นพื้นต้นและ อาตมาบอกไว้ก่อนนะงานศพอาตมาตายห้ามโฆษณาห้ามป่าว ศีลเปลืองคนต่างๆที่ไปนี้ ขนาดนี้ก็ได้ข่าวว่าสุกกระปลกกันหนักหนาแล้วอ่าวาด โฆษณาส่งไปเพื่อให้มากันนมัสการแสดงก็จะไป ปลูกราวไม่ปลูกระดมว่าให้ไป ดีอย่างงี้ประเสริฐอย่างงี้หรือไม่นั้นจะมีอันนี้ไปโน้ตจะมี ทำไมท่านต้องการให้คนมามากหรือมาน้อยตรัสปฏิพานเรื่องนี้ใครก็ตอบได้ต้องการให้คนมาน้อยไม่ใช่ต้องการให้คนมามากให้คนมามากเร่งๆๆ ความจริงน่าๆก็ตามๆว่าปริมาณคนมากๆเร็วๆอาตมาคนนึงนะ แม่นี่เห็นบ่เห็นบ่ยังมีวัฒนธรรมเก่า เพราะจะเกิดจราจรเพราะอย่ายิ่งมากๆนี่มันห้ามกัน อาตมาว่าจะยิ้มก่อนที่จะๆน้อยๆวันเดียวไม่ เสร็จเรียบร้อยเลยให้เร็วถ้าไม่น่าเกลียดทั้งไม่เปลือง <c oughs> เอ่อประชุมกันมาสร้างสรรค์อะไรอะไรขาย เอาท่านเอาอะไรมาค้ามาขายมาหาเงินหาทองอะไรมากมายนักเพราะไม่ต้องเตรียมมากเรา แล้วจะมาอ้างว่าได้สร้างไอ้โน่นสร้างไอ้นี่แพง ว่าแต่บอกว่าคนจะมาคุณสามารถรับได้ก็รับจริงๆไม่ คนที่ยังติดต่อเริ่ม แล้วคนเหล่านั้นมีปัญญาเป็นคนที่ใกล้ที่ชิด มันก็จะใช้จ่ายเองไม่ต้องปี 11 ปีนี่ปีนี้ ให้ได้เนื้อหาชัดขึ้นเนื้อหาชัดขึ้นได้แก่นได้แท้ได้ความเข้มข้นขึ้นก็นานา เพราะว่าคนโง่ก็ทําอย่างโง่ๆคนฉลาดก็ทําอย่างฉลาดๆ ทำอะไรให้สะดวกๆใช่หรือ ถ้าคุณยอมๆแต่ไม่รู้บัตรอยู่ไหนแล้วบัตรเค้ามีนะมี ก็ไม่รู้นะที่อาตมาพูดเอาไว้นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าอาตมาจะหวง ความหลงๆเป็นมากๆทํานั้นวินัยนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตจุดนี้ แต่ถ้ามันมากด้วยสิ่งที่ด้อยคุณภาพด้อยสัจจะ แล้วก็บรรยายใต้ภาวะสุดยิ่งใหญ่นะขึ้นนะจะยิ่งนั้นนะอาตมา มีพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่แว่นสุจินโนตั้งตรัง 18 ย, 17 มกราคมนะนี่ ก็คือมุนิธิที่เป็นตัวตั้งตัวตีก็ประสงค์จะให้มันใหญ่ มันก็ยังจะมีของจริงนั้นมี หรือเค้าก็จะรู้เท่าทันจับได้ มีระยะระยะหนึ่งระยะระยะนึงมีระยะนึงแต่ไม่ได้หมายความว่าแม้ดีก็จะเสื่อมดีก็ ตัวที่สร้างดีนั้นมันจะต้องดีต่อไปอีกที่นั้นมันจะแต่ๆมีๆ พยายามชี้วิเคราะห์พยายามที่จะๆคุณรักคุณ การเป็นอยู่นี่อาตมาพยายามย้ำยืนยันหลายทีว่าพวกเรานี่กล้าๆนะคนเราน่ะมัน คนที่จะบ้าจี้กว่าๆคาๆยุ่งเขาก็เสียเรา เพราะฉะนั้นมาระมัดระวังนะพวกที่จะออก ยศแต่งตั้งนี่มันก็เป็นเพียงจะต้องให้สอดคล้องกับความ นี่แหละเจ้าอาวาสสมภารที่แต่งตั้งลงไปเลยอาตมาพยายามที่ว่าเออผมพูดผิดตำแหน่งเป็นประธานเค้า ใครก็เชื่อว่าอาตมาเป็นประธานหมู่อโศกนี่ใครก็เชื่อโอ้โหยศ อะไรอะไรที่มันจะดีจะเจริญก็ต้อง เป็นประโยชน์ต่อโลกมากนะพระอุตตยา พวกคุณก็จะนั่งแป้นอยู่ที่เก่า ทำให้คนอื่นเค้าลดศรัทธาลงนั้นที่เค้า เราก็ไม่เก่งเพราะฉะนั้นอาตมาจะตายก็ไม่ว่าอาตมา ก็ถือว่าไม่กตัญญูพระพุทธเจ้าบางเลยหรือไม่แต่ไม่กตัญญู คุณไม่มีคุณสมบัติพอแล้วไม่มันจึงจะช่วยเขาได้เท่านี้ช่วยไม่ได้พอแล้วมันต้องเก่งกว่านี้มันจึง เราต้องเอาตัวเราให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นตัวเราเราต้องพยายามเขี่ยว ยังจะมีกูอะไรต่ออะไรอีกเยอะ ไอ้เกิดมาแล้วไม่ได้ความเป็นคุณค่าไม่ได้เกิดประโยชน์ นอกจากป่าวดายมันก็ยังดีนะไม่ หาราบหายศแข่งกันน่ะเค้ารู้ตั้งแต่นานแล้วล่ะลุง อย่างงั้นมันเฮ้ยเรื่องกิผงเรื่องกิผงไม่ยิ่งใหญ่อะไรหรอกจะ <c oughs> <c oughs> คำว่าตื่นคำนี้ไม่ๆใครมันก็รู้ไอ้เด็ก 2 ขวบ 3 ขวบผ้า ถ้าคนที่มีปฏิภาณหน่อยมันจะสูงกว่า นี่แหละเราเกิดเกิดมาเป็นคนค้ำ แย่งลาภยศเจ้าลูกศิษย์พระพุทธเจ้าจะพาเป็นมันก็มาแย่งลาภ มันมีตรายรักที่แท้มันเป็นการเหนือนี้อ่ะมาเสสละดูอ่าพิสูจน์ดู ภานี้ภิกษุอาตมาแล้วมันไม่ได้ท่าชาติหน้าก็ไปแย่งกันล่าบเพื่อส่งให้ผมก่อนเด้อเดี๋ยวชาติหน้าผมจะไปเกิดเป็นๆ จะมีเครื่องประกันด้วยว่าคุณชาน่าจริงๆนะจะบอกให้ถ้าอย่าง สัตตธรรมเกเก 7 เกิดฌานเกิดปิชชาไปอย่างเงี้ยอาตมายังกล้ารับรอง ยกมือสิใครกล้ารับรองว่ามันจะชาน่าจะไม่เป็นหมาเธอ ถ้าเพราะๆในวันๆเลยพาสผ่านปฏิสมุบัติปฏิสมุบัติเป็นคุณธรรมมันไม่ แต่ถามตําๆถามอบายมุขถามของหยาบไม่รู้เรื่องเสพมันอยู่ตุ้ยๆ โถอ่าชั้น 2 ชั้นเลยมันจะไปอยู่ปราสาทได้ยังไงจะไปได้ เค้ายังมาเอ๊ะพระองค์นี้มาพูดอะไรไม่เห็นพูดธรรมะเลยพูดแต่เรื่องหยาบ <folklore beeping> ดึงเอาผู้แสวงหามาได้จํานวนนึงไอ้จํานวนที่พวก อาตมาพยายามพาไปเนี่ยเทียบอิงธรรมอิงวินัยแม้อาตมา ไอ้ข้านเค้าก็ก็ 6 ชั้น 7 ชั้น 8 ชั้น 9 เค้าๆทํามาหากินเลี้ยง แล้วก็ยิ่งไม่ๆไปนั่นน่ะอธิบายไปแปลไปนี่ถ้าเป็นเค้าได้ อาตมาเห็นว่าการไม่มีเงินเป็นของเลิศเค้าเห็นการมีเงินเป็นของเลิศเค้า ก็คนคนไม่เกิดยานร่วมกันไม่รู้ปัญญาต้องเกิดญาณจึงจะเข้าใจกันได้คน ให้เขารู้เนี่ยมันยากเรา มีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาขึ้นมาบ้างอย่าหลงแช่เลยแล้วว่ามันเป็นลิงได้แป้น ขอให้เขยิบฐานเถิดจะได้ช่วยศาสนาบ้างอ่าไหนๆเราก็ ถึงบอกว่าอาตมานี่จะต้องยอมรับความจริงๆเพราะฉะนั้นก็ ไหนๆเราก็ได้สิ่งที่ได้มาพวกเราได้สมควรแล้วสิ่งที่พวก จะขอถามดูสิว่าถ้าผมตายไปเดี๋ยว ได้ขอยืนยันจริงๆคุณธรรมขนาดนี้จริงๆเป็นอย่างนั้นนะ อํานนพวกท่านทั้ง <tap> <จงเปล่งว่าจา, ว่าสาทุสา... tap>